รู้ด้วยตัวเองแกด้วยตัวเองจิตมันรู้เข้าไปที่จิตพอมันเข้าไปถึงจิตแล้วจิตกระเพื่อมหรือเปล่าวันไหวหรือเปล่ามันรักหรือมันเกลียดพอใจหรือไม่พอใจนี่ปรากฏการมันเกิดขึ้นอย่างนี้ถ้ามันรู้สึกรักกำหนดยินดีนั่น ของจริงมันปรากฏให้เรารู้ของจริงอะไรความจริงของจิตของเรามันยังมีกิเลสเราก็รู้ว่าเรามีกิเลสเ mm. มื <c ough> ม่อเรารู้ว่าเรามีกิเลสเราก็รู้จุดบกพร่องของเรารู้จุดด่างของเราเราจะแก้ไขปรับปรุงอย่างไรต่อไปถ้าสมมุติว่าเราจะแก้ได้ที่มันยุง่งยุ่งถ้าเราไม่รู้ปมมันเราก็ไม่รู้จักที่แก้ ปมยุ่งมันอยู่ที่ตรงไหนเรารู้แล้วเราก็าแก้ที่ตรงนั้นจิตของเรานี่ก็เหมือนกันในเมื่อมันประสบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันมีกิเลสไหมถ้ายิ น, ด, น, ย น, ยนย ด, ดีมันก็มีกิเลสถ้ายินร้ายมันก็มีกิเลสถ้ายึดติดมันก็มีกิเลสนี่ความจริงมันปรากฏให้เรารู้แล้วว่าเรามีกิเลส ต่อไปเมื่อเรารู้แล้วว่าเรามีกิเลสเราจะปฏิบัติอย่างไรกิเลสมันปรากฏกาหนดสติรู้มันอารมณ์มันปรากฏกาหนดสติรู้มันเอาสติตัวเดียวพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้อย่างชัดเจนตัณหามันเกิดที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็ดับที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจ มันจะดับได้อย่างไรฝึกสติพระอานนุ์ถามว่ามันจะดับได้อย่างไรฝึกสติให้มันเข้มแข็งเราจะฝึกสติอย่างไรการฝึกสติต้องทําจิตให้มีสิ่งรู้สติตมีสิ่งระลึกอะไรก็ได้ในเมื่อจิตของเรายังไม่เป็นเองเราทําเองนึกถึงสิ่งนั้นนึกถึงสิ่งนี้ นึกถึงผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกอันนี้คือการฝึกจิตให้มีสิ่งรู้ทีนี้ถ้าจิตมันหาสิ่งรู้มาให้ตัวมันเองมันคิดขึ้นมาเองได้เรารู้ความคิดนั่นแหละเป็นอารมณ์สิ่งรู้ของจิตทางปฏิบัติเราเอาสติกำหนดรู้อย่างเดียวเท่านั้นแค่นี้มันก็หมดปัญหาแล้วจะไปยุ่งอะไรจะไปเที่ยวให้หลวงพ่อพูดแก้ให้มันก็แก้ไม่ได้ มันต้องแก้ตัวเองเห็นสาวๆแล้วนั่งดูมันรักมันชอบก็ให้มันรักมันชอบไปแต่ว่าสตินี่เป็นตัวสำคัญในขณะที่มันรักมันชอบมันก็สร้างบาปขึ้นในใจมันอยากจะทำอย่างนั้นมันอยากจะทาอย่างนี้พอไปไปมามาสติมันเข้มแข็งมีปัญญามันก็บอกกับตัวเองว่าสิ่งนี้ไม่ควรแกเรา เราไม่ควรทำแล้วในที่สุดมันก็เลิกคิด